จนท่านมิเป็นอันทาอะไรเช้าวันหนึ่งท่านพระครูกำลังจะไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ซึ่งโยมคนหนึ่งนิมนต์ไว้เห็นหนายแดงมาทำลับลับล่อๆ อ, อ, อยู่หน้าประตูจึงถามมีอะไรจะพูดกับข้าหรือเปล่าถ้ามีก็รีบรีบพูดมาประเดี๋ยวข้าจะไปไม่ทันงานเขา หรอครับแฝดพี่ตอบอึๆอกๆอักๆเอาให้แน่มีหรือไม่มีท่านคาดขันคือผมเอิบอยากยืมเทปเพลงหลวงพ่อครับหนุ่มน้อยแข็งใจพูดเทปเพลงอะไรข้าไม่ใช่พระฟังเพลงหรอกนะ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 ก็พอจะมีเขาอยู่บ้างเอาเป็นว่าข้ากลับมาค่อยพูดเรื่องนี้กันดีไหมคืนพูดตอนนี้เกรงว่าจะทำให้งานเขาเสียดีครับหลวงพ่อในข่าวรับคำแล้วจึงพูดอีกว่าตั้งแต่หลวงพ่อกลับมาจากงานศพหลวงพ่อพี่สำริดมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่จนผมกับพี่ชาย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 คือไหนๆก็ได้พูดแล้วผมก็ขอพูดให้หมดเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องเสียหายขึ้นอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครคอยใส่ร้ายป้ายสีหลวงพ่ออีกหรือเปล่าแต่ถ้าเข้ามาเห็นอย่างที่ผมกับน้องเห็นเขาต้องคิดว่าหลวงพ่อเป็นพระปราชิกแน่นอนนายแดงพูดเพื่อต้องการคำตอบในเรื่องที่ตนสงสยัย 1. และไม่อยากให้ใครมากล่าวหาหลวงพ่อของเขาว่าเป็นพระปราชิก หเรื่องชีชบาที่เพิ่งจบไปไม่นานเป็นบทเรียนที่เข้าทั้งสองจะต้องจดจําไปอีกนานเอาอีกแล้วหรืรู้สึกว่าคนบางพวกเขาอยากเห็นข้าเป็นพระป ร, ะรารถิเลือกเกินนะแต่ก็เสียใจด้วยเขาจะไม่ได้เห็นอย่างที่อยากเพราะไม่มีวันที่ข้าจะเป็นอย่างที่พวกเขา อยากให้เป็นขึ้นชื่อว่าสากยะบุตรพุทธโอรสข้าจะไม่กระบฏ ท, ทรยศต่อเสด็จพ่อเป็นอันขาดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและหันกล้าผมก็อยากเชื่อว่าหลวงพ่อคงไม่ทำเช่นนั้นแต่สิ่งที่ผมกับน้องเห็นมันทำให้ศรัทธาของเราต้องสั่นคลอน ผมไม่อยากให้ประวัติศาสาซ้ำรอยครับหนุ่มน้อยพูดด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังความอยากรู้และความสงสัยมีมากเกินกว่าจะเก็บงำเอาไว้ในใจโอ้โหมันร้ายแรงถึงขนาดนั้นเชียวหรือข้าก็ทำงานงกงกทั้งวันยังอุตสามีเรื่องครหานินทามาเยือนอีกหรือนี่เอาละ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 มีอะไรก็ว่าไปเลยขขาวเอ็งเล่าก็แล้วกันนายแดงเกี่ยงน้องชายเอ็งเป็นคนเล่าแหละดีแล้วตรงไหนไม่แจมแจ้งข้าค่อยช่วยเสริมนายขาวต่อรองท่านพระครูจึงตัดสินว่าไม่ต้องเกี่ยงกันเอาละเจ้าแดงเอ็งเล่าไปสิเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อ หลังจากที่หลวงพ่อกลับจากงานศพหลวงพ่อพี่สัมฤทธิ์ผมมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงอยู่บนห้องหลวงพ่อเวลาที่หลวงพ่อไม่อยู่บางครั้งก็เป็นเสียงพูดคุยหัวเราะต่อกระซิกกันและที่ร้ายไปกว่านั้นคือผมเห็นผู้หญิงสองคนเดินขึ้นเดินลงราวกับว่าพวกหลอนเป็นเจ้าของกุฏิบอกตามตรงว่าผมไม่สบายใจเลยที่พบเหตุการณ์เช่นนี้เจ้าขาวเป็นพยานได้ว่าผมไม่ได้พูดเท็จ นี่ดีนะครับที่ผมเห็นเกิดคนอื่นเข้ามาเห็นจะต้องเอาไปนินทาว่าหลวงพ่อมีผู้หญิงมาอยู่ด้วยผมปรึกษากับเจ้าขาวแล้วว่าจะต้องพูดเรื่องนี้กับหลวงพ่อก่อนที่คนอื่นจะมารู้มาเห็นผมไม่เข้าใจจริงๆนะ ว, ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเทปเพลงท่านพระครูออกง ง, งๆคือผมกลัวว่าจะถูกดุหากพูดตรงๆ เลยเอาเรื่องเทปเพลงมาอ้างอันที่จริงมันก็เกี่ยวอยู่เหมือนกันคือตอนแรกที่ผมได้ยินเสียงเพลงผมคิดว่าหลวงพ่อมีเทปแต่พอเห็นผู้หญิงสองคนนั่นผมจึงแน่ใจว่าต้องเป็นเสียงพวกหลอนทําไมหลวงพ่อทําอย่างนี้ล่ะครับผมไม่เข้าใจเลยท่านพระครูค่อนข้างมั่นใจว่าผู้หญิงที่ฝาแฝดเห็นต้องเป็นนารีผลคู่นั้นพระในถ้ำบอกว่านารีผล เป็นสิ่งกายสิทธิ์สามารถร้องรำทำเพลงได้ยิ่งไปกว่านั้นยังแสดงริดด้วยการย่นระยะทางซึ่งท่านได้ประจักษ์แล้วในคืนที่นำมาผู้หญิงที่เองสองคนเห็นแต่งตัวยังไงท่านถามเกิดหลอนอยู่ในชุดวันเกิดเหมือนที่ท่านเห็นในถ้ำเรื่องคงจะยุ่งแน่ใส่ชุดไทยสีทองครับ สวยอย่างกันนางฟ้านายขาวตอบท่านพระครูรู้สึกโล่งอกและนึกชมเชยนารีผลที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งชุดไทยแทนชุดวันเกิดเอาละกลับมาข้าจะตอบคำถามเองตอนนี้ขอไปงานเขาก่อนแต่ข้าก็อนุญาตนะ ถ้าเองเห็นผู้หญิงสองคนนี้อีกก็ให้ตามขึ้นไปดูได้หรือจะค้นดูก็ตามใจหากคิดว่าข้าเอาผู้หญิงมาซุกซ่อนไว้ยิ่งถ้าเองจับตัวมาให้ข้าได้จะมีรางวัลตอบแทนข้าอยากเห็นอยู่เหมือนกันขอบใจที่บอกให้รู้ท่านเดินออกจากกุฏิพลางบริกรรมคาถาสหัสเนตโต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 ท่านก็จะไม่รับเพราะไม่ต้องการร่วมสังฆกรรมกับสมภารวัดป่ามะม่วงแต่เมื่อกลับจากสีลังกาท่านก็เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพิษุรูปนี้เพราะได้ประจักษ์แล้วว่าเขาเป็นผู้มีศีลาจารวัดงดงามมีความกะตันยูและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นอกจากนั้นยังได้โปรนิบัติวัดถากท่านเป็นอย่างดีอีกด้วย เมื่อหลวงพ่อแพรมาถึงท่านนั่งหัวแถวเพราะอาวุโสที่สุดพระครูเจริญนั่งถัดมาส่วนพระอันดับอีกเจ็ดรูปก็นั่งลดหลั่นกันลงไปตามลําดับพรรษาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกราบหลวงพ่อแพรแล้วทักว่าหลวงพ่อสบายดีหรือครับงานสร้างหลวงพ่อโตไปถึงไหนแล้วก็ก้าวหน้าไปมาก มีเศรษฐีจากอำเภออินเข้ามาสนับสนุนอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ได้หลายล้านแล้วครบ20ล้านเมื่อไหร่ก็จะลงมือสร้างทันทีลุงพ่อแพรบอกกล่าวแล้วผมจะช่วยบอกบุญญาติโยมให้เขามาช่วยนะครับขอบใจถ้าเธอช่วย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 หนุ่มน้อยมีความปรารถนาดีเขาไม่ต้องการให้ท่านเป็นที่ครหานินทาของคนบางพวกซึ่งมีทั้งพระและคฤหัตหากจะวัดกันระหว่างพระภิกษุชั่วกับคฤหัตชั่วอย่างไหนจะเลวร้ายกว่ากันคงต้องนําคํากล่าวของท่านจากขุปปาละมาเป็นหลักฐานเพราะท่านกล่าวว่าคราหัตชั่วหรือบรรพระทิศทั่วมันก็คือคนชั่วเหมือนกัน ข้าจะมีเวลามาสร้างเรื่องหลอกเองอย่างนั้นหรือคำพูดของท่านพระครูทําให้หนุ่มคู่แฝดเกิดสํานึกในความผิดชอบชั่วดีจริงสิลุงพ่อของพวกเขาทํางานทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วท่านจะมีเวลามาคิดหรือสร้างเรื่องไร้สาระเช่นนี้ได้อย่างไรและที่สําคัญก็คือผู้หญิงสองคนนั่น สวยเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจึงน่าจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์มาย่วยวนกิเลสหลวงพ่อเสมากกว่าเอาละ่ะความจริงก็มีเท่านี้แหละส่วนพวกเองจะเชื่อหรือไม่ข้าไม่สนใจยิ่งคนอื่นด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงขนาดเด็กที่ข้าเลี้ยงไว้ตั้งแต่หัวเท่ากำมปั้น ก็ยังไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ของข้านับประสาอะไรกับคนอื่นหมดธุระแล้วก็ลงไปได้ข้าจะเขียนหนังสือแล้วสองพี่น้องพากันกราบท่านแล้วจึงลงไปชั้นล่างข้างงจังวะขาวหลวงพ่อท่านไม่มีพิรุษอะไรเลยบางทีท่านอาจจะไม่ได้สร้างเรื่องมาหลอกเราจริงๆนั่นแหละหรือเอ็งว่าไง ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ผู้หญิงสองคนนั่นก็เป็นหลักฐานผูกมัดว่าท่านมีผู้หญิงอยู่ในกุฏิส่วนซากทารกเหี่ยวเหี่วนั่นจะเป็นหญิงสาวโสพาข้าไม่เชื่อเด็ดขาดเอาอย่างนี้ไหมคืนนี้ตอนหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาเมื่อพวกเราได้ยินเสียงเพลงก็บุกขึ้นไปชั้นบนเลยหลวงพ่อท่านอนุญาตแล้วท่านคงไม่ว่าหรอกนายขาวออกอุบายดีเหมือนกันจะได้รู้ดำรู้แดงกันเสียท เกิดหลวงพ่อท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงพวกเราจะได้ไม่ต้องตกนรกนายแดงสรุปค่ำวันนั้นท่านพระครูไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมเช่นที่เคยปฏิบัติหนุ่มคู่แฝด ต, ต่างพากันเงี่ยหูฟังว่าเมื่อไรจะได้ยินเพลงไพเราะดังมาจากชั้นบนเฝ้าคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดลงมาจึงพากันขึ้นไปดู สิ่งที่สายตาสัมผัสคือพานว่างเปล่าไม่มีซากทารกชรานอนขดตัวอยู่ดังเช่นที่เคยเห็นเมื่อตอนบ่ายหายไปไหนหรือว่าหลวงพ่อเอาไปที่ศาลา ด, ด้วยในข่าวตั้งข้อสงสัยคงไม่มัง้งท่านจะเอาไปทำไมกันนายแดงไม่เห็นด้วยงั้นก็รอให้ท่านมาพอท่านขึ้นข้างบนก็ตามขึ้นไปทันที อย่าให้ท่านมีเวลาเอานาริผลวางไว้ในพานเช่นเดิมตกลงถ้าท่านดุก็ให้เรียนท่านว่าเราต้องการจะพิสูจน์ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เฝ้ารอการกลับของท่านพระครูประมาณสี่ทุ่มท่านก็กลับมาทว่ายังไม่ขึ้นชั้นบนท่านเดินไปนั่งยังอาสนะแล้วบอกเด็กหนุ่มทั้งสองว่าตอนสอบอารมณ์มีโยมหลายคนบอกว่า ได้ยินเสียงเพลงไพเราะมากฟังคล้ายๆเป็นเพลงแขกสงสัยนารีผลไปรบกวนสมาธิเขาเองสองคนลองขึ้นไปดูสิว่าพากันกลับมาหรือยังเด็กหนุ่มวิ่งขึ้นไปดูแล้วกลับมารายงานว่ากลับมาแล้วครับเสียงที่พูดแฝงด้วยความตื่นเต้นระคนสงสัย